ขึ้นไปขึ้นนันัเหนืาานาน่อนันืนอนัมนนนันจนะดูัไีแยกออกได้โอันนี้มันต้องต้องขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยตรงนี้นือบางคนเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไนมะนจะทำให้ได้อย่างนั้นหรจะไม่ได้มัอ อ, อนอืต้องปฏิบัติปฏิบตัตมันคอยขยับของมันไปรูของมันเองอย่างที่เรนมา มันมีกําลังเนอะคือสติมันมีกำลังปัญญาเวลาไมัน็ไก็เข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เองจนจนจะ ท, ทางานมันก็ไม่ได้ยังนม่เคยออกเลยยังมีใช่ไหมคือกำลังทางสติปัญญาอะไรนันเป็นเครื่องจะทําให้หรู้ดังมันไม่มีกําลังซึ่เพราะการมันม ข, ออรรนขนึ้นมาไม่ต้องรอมีสตินะแต่ว่าการรอรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกัน ไม่ใช่รอวยุดเลยแ่มันทำแล้วมันจะเกิดปฏิบัติากเพิ่มแก่นคือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังให้เข้าแล้วมันจะไับทั้นด้ไอ้การที่ทำสมาธิมากต้องทไม่หยัดน้อยงูออกมากมีกำลังนำลังกายเลยเยอเพียมากี่ได้ผลดี จอมีสองทางทำที่ทำใครไปมีรายอะไรีเป็นที่สุดอันนี้ก็เป็นออันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หนึ่งถ้าอยากที่ว่านันเป็นนิสัยของอีกผู้หนึงนั้นเราผมจะตามด้วยคุณนั้นคนนี้ก็เราผมไม่ตามด้วยคือไม่เกี่ยวกันไม่สอง อย่างแบบไหนที่ได้ผลดีกว่าอแบบพรละอดทนนะเป็นเแบบสี่ผันกันเลยมากอันแบบนั้นมันเป็นแบบสงพรนะซึ่งมีหน้าเทียนเดยร์เดียรที่ถ้าจะลับกะนอนเดี๋ยวคาร่าเอาเวทห้านมาได้เพราะงานการเรามีแล้วก็ต้องไปแบบว่าแบบคาร่าก็ต้องแบบที่คาร่าเนี้ยแบบที่สองคือแบบหนึ่งแบบไม่ใ่อหลับก็นอนอดคนอันนั่นเป็นแบบดีมากเพราะคนช้าแบบนี้เนจะได้ผลเดีดีกว่า ก๋คเร็วเพราะความพยายามในสมอนนะมเมือนอย่างเราเอาเหล็กไปผลหินเนี่ยตั้งใจผลมไม่ตั้งใจขลอม ถ, ถูไปถูมาแต่มันก็มันก็มันก็ ม, <laughs> มีของก็คอยได้งมันอยู่ในนั้นเลยนะติเดเ็ขึ้นนะเ อ, อเคเยน่าม<อ>ันมีจังหวะงมันที่จะาด้เรื่องอย่งนี้ผมเคยทาได้ตอนนั้นคว่าเมห้องขอะมันพยายามตะเกียกตะการ มันมันก็เหมือนกวาดลานวัดอย่างเงี้ยกวาดได้ไม่ยไม่ถอกวาดนั้นกวาดนี้กวาดตรงผีห้าแต่ใบไม้มันก็ไปได้ด้วยเหมือนกันะตั้งใจกวาก็กวาดตรงผีห้ามันก็ออกเหมือนกันได้บ้างดีคว่นอนด้ยเช่นไม่กวาด่ถึงขั้นมันมันจะเป็ยนงันคือมันเป็นความพอใจอยู้งหลังความอดทนความภาพความเพียรนั่นก็เหมือนความความของแต่ท่อัไปมันไม่อยากให้หยุดไม่อยากให้พักนั่นแห มือนที่เราเพลินกับงานอะไรอย่างนี้มันมง่ว ม, มันงอมก็อดอมทำอมมันจะ เ, เสร็จเรื่อยๆมันจะพายตะเกียว์ตะการจะได้ไงเป็นงานนั้นสำเร็จได้<ม>อันนี้มัก็เหมือนกั<ม>นทำงาถ้ามัานไม่มีผมไม่มีเครื่องดินดึงไม่ว่างานอะไรนะมันจะสำเร็จได้ยากนะเออมีกำลังใจําขันที่กําลังใจทำาำนั่นทำนีเราจะพยายามจะอดแต่ผลมันอดไม่ได้คนเรา คนไปไม่ไหวมันนันท่นต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้คนเหมือนอย่างการรับคลิปมันเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะเมื่อวามันเมืองไทยยึงไม่ขาดคิปเพราะบนตลาดเผ็ดอยู่แต่ว่ามันต้องมีรถุมันอยนั่ละพอาให้รับเบลอย่งั้นเผ็เคมนี่มันก็มีรถทุมันอยู่ืนมัก็มีความนีมีความดีอีกอย่า น, นี้ควมเพียรมันเหมือนกันที่วะเียบะ ก, กายไม่ส ก, กันมันก็มีรถหนุ่มมันวน้นที่จะใหะเกียบกะการเลยนะที่ผ่านเส็จ่ะการีอันนี้คืจะเกนมากเกินไกมใช่วใช่เกินะรงงตอนนี้เราก็พกักพนกันนะถ้าเราก็รู้เหมือนกันในกินนะคือถ้าท่านไ ม, นม่อย า, า ก, กพักกองพักพักให้ได้ก่อนพักนอนนะผมนคยเป็น คืนไม่นอนทั้งกลางวันคืนไม่นอนเลยอทั้งวันเลยทิ้งเต็มกลมได้ทั้งวันนะกลางคืนมันนั่งเลยกลาคืนมันจะไม่ยอมนอนผมไม่ไหวเลยบางครั้งมันงงเพราะเรารู้แล้วว่าทําประโยชน์ไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่มากอไม่คุ้มกันนอนไปก่อนบางครับงบางท่านที่มันเกิมือไปจะจับงานอย่างนี้แหละมือมาเข้ามาจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานที่มันไม่เคยทำนะไม่เสร็จมจะให้เสร็จเลยน้องแล้วบางครั้งอกะ กินไปูพันไปสกปรกมากใช่มก็ทำค่อยๆกันนึงไม่กันคือทำทำถึงกับสมองถทื่อแล้วกับมัถึงเลยแล้วต้องนอนเรียนมากๆมันทื่จอยู่ในสมองไม่รับเลยจำอะไรไม่ได้เลยต้างนอนให้แั้วนนี้อันนี้เหมือนกันถ้าสินเรามีพึงพินานมากๆไปเราเราก็รลูกของเราเหมือนกันเราต้องบังคับ มีกันมีกันแต่ถ้าจะเขาจะสอนคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่ามันขัดเทียมเหมือนกับสมองจะคือให้หยุดหน้าเดี๋ยวมันจะไม่คือมันจะไม่ทําลำมันจะกระหนอมันจะหยุดซะก่อนมันต้องเดือดเลยซก่อนนะถ้าพอถึงระยะนั้นแล้วมาทารู้ตัวมันเองคนละใช่ไหอรู้ตัวเองเพราะฉั้นตอนนั้นจึงไม่ค่อยจะสอนไม่ค่อยจะบอกเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะก่อนเขาใจใหญ่แต่นี้น่าดเราเผื่อๆไว้กันหน่อย ขันเดอพอถึงนั้นแล้วมันรู้มันเองกางเรียนก็รู้เองกาู้จก็รู้เถึงขนไหนที่คจะพัเนี่ยมันขนาไหนที่ควจะพักให้ก็รู้เลยเพราะมัเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันกอในรู้ไหมันก็รู้แต่พอพอมันเราจะบอกพอมันรู้ึกแล้วพักได้นาเพราะว่ากันโอ้ยมันจะไม่รู้สึกมันมันรู้ตึกก็จะก่อนเนาะรู้ตึกจะพักซะก่อน ลาเป็น่ากเป็นใหญ่คือผม่บายธรมะไม่เร็จรากมากไปเลยวันนี้เสราจไรธรมะน่าอื้อทิ้ดอืมอืมเอาจะเอาแบล็คแผนมาว่าว่าเอาอันนี้ไปเลยดึนมาจนี้ไปเลยว่า่วยเราปฏิบัติมันมันเป็นขึ้นที่นี่จริงจริงอย่าที่ว่าขีนจะมาที่ปัญญามันขึ้นที่นี่ข้างน้น ถ้เวลาเนแกเ็แบบไม่มีอะไรผิดเราจะยอมแบบนี้เป็นแบบแอย่างดีเยียบเลยเรายังไม่เปลีนให้เป็นเพราะป็นดนอย่างตั้งเหมือนหนังบ้านกับแปลเนี่ยเขาก็ได้ปั้งเลยเรื่องแปลงนี่มาต้องต้องมีความรูก่อนถึงแก่ลงบ้านใช่อันนี้ก็ทานจะสอนมาแล้วเช่นวิธีสอนวิธีภาวนานี่ก็เป็นแปลแล้วนะเช่นภาวนาอนั้นท่านแนะนั่นก็เรียกว่าแปลน่นะ เก็ทำดัอนมันเป็นเรงเรียนมากมายอนนี้เลิกไปแล้วจ้ะอือก็นี้แล้วก็พอมันเปมขึ้นมาก็ถามสอีกทักอิบายต่ออีกพอมันเตมขึ้นมาเติมนั่นทำงานเหมือนเดิมท้าทนสามปัญหาเลยนี้แล้อธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกั่งกับอธิบายอีมันก็แบบดักนัเลื่อย S <S เป็นไงเดีย๋ยวเราได้ยินไมเดยผมก็คุยทางนี้ท่านก็คุยทางนั้นได้ยินไหมล่ะได้ยินกันไหมท่านันงนก่ออธิบายท่านั่นฟังทางนี้กออธิบายท่านี้ฟังแล้วได้ยินไหมตินนี่ได้ยินชัดไหมท่านทางท่านอธิบายให้ต้องท่านนั้นฟังได้ฟังชัดไเข้าใจชัดไหมได้ยินท่านอธิบายธรรมาให้ท่านสามี่องค์มันฟังอะท่านอย่างนั้นเข้าใจไหม <S 2> <S 2> โอเคมก็พูดพูดทางนี้ ผมไม่สนใจฟังเท่นั้นนะผมก็ฟังกันงนี้เข้าใจว่าท่านผมไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยเท่านั้นเหมือนกันเพถี่แล้วง่วงนอนอาจารย์กำชันงอบาราะเป็นมานี่จริงก็รูจริงมานึตามได้ทน นนแล้วมันอาจารย์ตอนที่พูดพูดพูดถึงการเวทนานะ่ยเวลาเขาเข้าถึงงานจริ ง, รงมันเป็นอย่างที่ว่าจริงเลยผู้เวทนาเนี่ยไม่ใราบมันแยกกันยังไงนะแยกกันจริงจริงนี่หาจิดเลยจิตเป็จิตผู้เวทนาเข้าไม่ถึงเลยต่างงานต่างจริงทีนี้จะอะไรามาทําให้จิตนี้เผลอตัวไปในข น, นาดที่จะดับไปนี่มันไม่มีผู้เวทนาเข้าไม่ถึงเนี่เวทานาเท่านั้นจะมาครอบจิตให้เผลอไ ป, ไปาา ต, อตามจนไม่มีสติกรรมคนเรานะ่ มีพวกเวทนาทั้งข้อสติรักษาจิตไ ม, พญญสสตไมพ่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญาข้สติเข้าถึงจิตแล้วา น, นั้นเวื่อกออกหมดแต่ง้นต่างขาดเลยเดียางานขาดจากนี้ต้องขาดดับไปพร้อมเลยดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีหนึงเนี่ยเห็นแต่ความมฤติกรรกเนี่ยอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นตายหมดเลยแค่คว า, นนามรู้สึกนะทั่งที่กายก็นั่งเหมือนนั่นแะแต่ความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องกับกายไม่มีเลยมันก็ติดอยู่อากาศสัทธาจิลากาศสัาร่างก็หมดเลย ในความ alloy, รู้สึกนะมันเด่นอย่างนี้เลยตายไม่มีเวทนาจะเอามาจากไหนหมองมีประการหนึ่งประการที man, <c vs> ่สองมันเยื่กตันแต่ไม่ดับะเยื่อนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้าไม่ถึงจิตมันจะมีมากเท่าไรมันก็มีอยู่ในส่วนร่างกายเท่มันแต่ไม่สามารถทจะเข้าไปถึงจิตเราก็รู้ได้ชาติแบบมันเข้าถึงกันแน่นอนเมื่อเป็นงั้นจะเอาทำอันนี้ให้วั่นได้หรือไม่เพราะเวทนาไม่เข้ากระเทือนไม่ถึงนเกเเหมือนกับดวงไฟของเราที่มีแก้วครอบมันเองนะ ลมพัดนาแล้นมันก็อยู่อยู่ของมันขงแน่จิตที่มันมีสติปัญญารอบล้อมมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบนี่เองเหมือนมีดวงไฟมีแก้วครอบน่อ่าพิจารณาการมาบางมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าลมมีมากเท่าไหร่ก็มาแต่มันไม่สามารถจะทํานี้ให้ดับไดบครับไม่หวั่นไม่หวั่นเราแน่เลยทั้งสองอย่างคือแน่ในต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแล้วมันดับปึ๊บมันหมด และกายก็หายไปพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้เด่นเป็นความรู้ทีอ่อัศจรรอาการที่สังก็คือเวทานานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดมันก็ไปหมือเหมือนอารมพายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่อจิตนี้เหมือนเหมือนเป็นิน่แจ็คคัม ต้องกันใช่ต้องการมันก็ไม่หวั่นอย่างนี้มันก็รู้ชัดนี่ถึงเวลาจําเป็นกินมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลามมันไปอะไรจะดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่เถืเอนนี่เราไปนั่งมันก็ไม่หวั่นปิดเน่เนี่หลักการไม่ไวั่นจิเห็นได้อย่างนี้จริงๆถ้าเราปฏิบัติถึงแน่ตัวเองแน่ใครก็อีกที่นี้จะนานก็จะได้อ๋อเรื่องนานไม่นานเป็นไร สำคัญที่เราปฏิบัติมาเรื่อยๆเหมือนก่อเราเลี้ยงเด็กนะเราจะเอาเอะไรพิมนันจะโตในเด็กนี้หละแล้วกันพ่อแม่พ่าแม่ท้อใจนะแต่ได้มากพ่อแม่ของเด็กจาไม่คิดอย่างนั้นนะนี่จะพยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกๆระยะทีเดียวอมันจะให้ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมาบรรอมรักษามันหิวโหยอะไรมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรเด็กไม่ดียังไงพ่อแม่จะต้องพยายามรักษานในปัจจุบันโดยอนไม่ไคำนึถึงว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี้เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนเราใา่นหม พความรักความเมตตาตสารเด็กม <PTSD> <rok> um, ีจำนวนมากยิ Vegan, ่งกว่าที่เราจะไปฆ่ากระเนื้อเด็กด้วยเมื่อไรจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมานอันนี้ความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทําสิดเรามันต้องลักษณหน้านั้นเหมือนกันมันเลยไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนสักกี่มันกี่คืนกี่วิเดือนมันถึงจะเจินหน้าจิตมันก็ไม่สนใจมันพยายามรักษาตัวมันมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยเหมือนกับเด็กว่ากันเจินเรื่อยเหมือนกับเติบโตนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยร่างกยพัขึ้นมามื่เราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือัน เลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภ า, ายในตัวถึงไหนเลยอ้าวสภาพปัจจุบันอ้าวปัจจุบันปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตขึ้นด้วยมันก็เด็กเนี้ยกิจเติบโตเราจะเทียบกับเด็กเ่าแล้วจเป็นกิตเจริญตัวเองค ว, เ ค, วเความรู้ก็เจริญความรอบครอบเจริญความมั่นคงเจริญความฝูกเจริญพื้นที่กิจความเบาเบาใ จ, จเจริญขึ้นด้วยกันความรอบครอบออคิดอะไรจะเจริญทุกข้างบนสมมา เราถึงที่เราหมดความนั้นงอยู่ไมอนื่อันั้งอยู่ไมด้ไม่ไม่่้ันั้นกนนาร ท, ทางที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิดบบนั้นเพราะจิดนั้นสราจากทางถานที่ากคนเพราะเดียวราปร า, ากาสมมติสินี้เป็นสมมติึงเข้ากันไม่ถึ ง, งอันนั้นมันไม่ใช่สมมติแล้วเลือกสมมติจึนเข้ากันไม่ถึงพรไปห่านจึงไม่เกี่ยวกัน แต่ในวิหานทำคือความเป็นอยู่ในาตขันธาขันมัจมนจะมมมันมีอยู่ท่าน ก, ก็ต้องหาที่เรื่องะ่านกต้องเดือดรบายเพื่อธาขนัขนอยู่ด้วยกั น, าา น, กนระบายถ้าหากว่าแง่สืดสะบายนาตขันจะเป็นไปลดสุขภา พ, ร, พ ร, รถสุขภาพก็คือลดความเป็นอยู่นั่นเองลดชีวิตวาณลงไปเป็นหลั กางระหว่างคิดสัพันธ์ขับภาดขับปฏิบัติ่อกันโดยถิกต้องจิตดร่างกายก็ถึงอายุไขท่านยู่ลำางทัานเลื่อนมาขึ้นปฏิบัติเป็นทู้ทำนิ่งทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่าเพื่อนขอยู่ในปาบปฏิบัติตัวให้สะดกสบาต่อพิยาบกเพื่อทาสขายที่พเป็นไปด้วยความยอบจิตใจก็เสลิ่อยู่ด้วยกันแล้วอายุถึงอายุไข ถ้าเราใช้ามาสมรรถบุกสาบัตก็เป็นกลุ่มๆไม่เป็นไรก็เพื่อเนืออเราที่ใช้ามากมันก็ไม่เพืนทางขาดทันนี่แล้วก็ทางเน้อเหมือนเรามีเงินร้อยบาทเรายต่างวันนักติบา ท, าาบาทก็ต้องถึงิบวันนะถ้าเรามาโอ้ปับจา่ายก็จะวันหนึ่งจะต้องร้อยก็หมดในวันเดียวอันนี้มันการาขาดันกําลังมันมันเพียงพออยู่เพียงเท่า น, นี้นะแต่เราจะใช้การใช้งานขนาดนั้นขนาด น, น, น, น, น, นั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิด ถ้ามากไปมันก็เหมือนกับเราช่างเงินร้อยบาทยังมันเดือดนลยเสร็จไปเร็วๆพูง่ายว่าเสร็จไปเร็วๆนะท่านที่ท่านสมวนไม่น่ะท่านก็สมหวนไม่เพื่อทําประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่สมหวนไว้สําหรับท่า น, นส่วนให่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าทําพูดตามหลักธรรมชาติแล้วภาภานะท่านพูดถึงจิตถึงจิตที่บริถึิจิตบริสิ์อย่างเต็มที่ น, น, นะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ําหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็น น้ำหนักที่สำคัเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่สมมุติการฉลาแปก็คือเรื่องสมมุติฉลายท่านไม่ได้ฉลาไปด้วยความจิิงท่านมีสมบุญอย่างแต่ที่ทำทั้งหวันว่าคืออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่เพราะเหตุไรข้อเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทําประโยชน์ได้เท่านั้นถ้าเสียประจ่ายทอ น, นหากว่าได้ปล่อยไปเสียมีประโยชน์ที่ควจะได้ทั้งคนหลายอารมณัทำเพราะงั้นความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเหรเนี่ หากก็ลายตามหนักธรรมชาติของกิตแล้วความไปอยู่ความตายไปเท่ากันถ้าไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะถ้าไม่ได้หวันกับความไปอยู่กับความตายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของขันที่มาส่วนเป็นเรื่องของธาตุของขันที่มาผสมเข้าแล้วมันกลาตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่ได้สลาย <c oughs> นี่อันนี้เป็นจริงอยู่บางกล้าแต่ที่สงวนไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอานำอันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อไป เป็นแ ม, มันต่างต่อนะไม่ถ น, นัดไม น, นัดมีความเป็นแบบของการรักษาแบบนี้แต่ร่างกายไม่แข็งแรงนช่ไหมผ่าัดดีจิตก็มีด้วยนะโอไม่ติดจิตจิตไม่สำหรจิตความบริสุทธิ์นั้นไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรือ่อนแ อ, อเป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็เหมือนกับติตมันเพิ่มตัวขึ้นมา อ่อนลงไปไมันเหมือนกับปิดรถตัวเมื่อถุงแล้วมันมีการลดการเพิ่มจึงไม่มีอ่อนแอจึงไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับบิดที่ใบกุศลเวล า, าอดนอนมากหแล้หลิวมากๆมีปิดใจเกิดเพี้ยไปด้วยไนหะม ถ, ถ้าจิเกียว์ก็ขันก็เพี้ยความเพี้ยก็เป็นเวทย์นาเวทนานี่จะข้าขันก็บปิดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันมีการเกี่ยวข้องกันดยดั่งเวทยน้อย แต่ว่าท่านเกี่ยวของเราจะพูดว่าเป็นเจี่ยวของมันคูดไม่ถูกนะแต่ยังไงมันก็ต้องไปผ่ายขันอนะจะเป็นฝ่ายที่รดเข้ามาสุดไม่มีการรดคืออันนี้จะใช้ในงานไม่ได้นายน่าจะอันนี้จะออกไปไล้มีคณะเองแต่ส่วนใช้ความรู้นี่ลดตัวลงไปคือเพิ่มตัวขึ้นมานี่มันเพราะเหตุอะไรเพราะกิตที่บริสุทธิ์ได้ไม่มีเวทนาท่านาพูดกันอย่างเต็มที่เลย เพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจินไม่ปรากฏแปลว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่บริสุทธิ์ได้ไม่มีเวทน า, มมาหมดคําว่าปรมาสุ ข, ขังคือสุขอันเยี่ยมนั้นสุขในหลักธรรมชาติของจิตต่างหาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อยกว่าเวทนานะครับเวทนา t h i เป็นหมายหนึ่งเวทนาที่ต้องอนิจจังทั้งนั้นอนิจนจังทุกขงังหน้าตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขงังาตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ มันก็บริสุธิ์แล้วใช่อืมคิดบริสุทธแล้วใครจะว่ามีเวทนาในสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าสิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นดีประจักษ์กับจิตที่เฮ่ง่าช่างช่างที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เวลาเรารู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจิตที่บริสุจริงแล้วไม่มีเวทนาจะเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอณิจังผู้ขังร่ังกาทตั้งนานถ้าจิตจะมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอณิจังผู้ขังร่างกายไปด้วยเย็นไปด้วยจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้จึงต้องอาศัยเวทนาหนัก ถ้าจิตพอ ต, ตัวแล้วจะเอเวทนามาขึ้นเป็นส ม, มุนไพรแก่งมัน น, นี่ต้องของแต่ว่าส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่นั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของบริสุทธิ์แล้วนะไม่มีอะไรกับอะไรกั น, น, ก น, นั้นนี่เข้าใจง่ายอยู่ตรงนี้อัอเป็นบริสุทิ์จริ ง, รงต้องมนี่คือไม่มีอะไรจะไปเพิ่ม ไม่มีอะไรจะเลือเป็นความถึงต่ําเป็นความเครียดอะไรอะไรแต่มันเป็นอาการของธาตที่มันลดตัวมันมาเลยนะก็เป็นเวทนาหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็ความเผีและจิตก็รับทราบเท่านั้นถูกต้องอจิตต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทัง้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตนี้เองแต่ตามความนิยามตวนั้นจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าิดยังไม่ถึงบริสุทธิ์ผู้ยังมียังเกี่ยวข้อกับร่างกายมันใช่มังเกี่ยวพิเอาก็ทำไม่ไคือคือแทนผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียรก็ทําไม่ไหวเหมือนกันเพราะการทําเราจะต้องเอาขันออกไปทําอาเมื่อขันเรียกําลังแล้วขันจะจ ะ, จะเป็นจะสามารถทำได้อย่างไรเพียรจะบริความบริสุทธิ์นั้นจะไปทําอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงทำมานี่ต้องอาศัยขันที่คือเวทนาสัญญาสังขารทุอย่างสังขารความปรุงก็เป็นก็เป็นขัน ปงอาจปรุงทำออกมาความเทีย่ยงความโมทูนั้นจะทํางานอะไรไม่ได้เลยนึกคิดแต่เนึกเนึกคิดนั้นเนปะ็นกรเป็นสั้งขันและสั้งขนันนี่แต่ว่าขานันเแล้วนั่นความโมทูจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดซึมงไม่ได้บัคขันการคิดนึกนี้เป็นเรื่องของขนงองอออันทำที่ต้องอาศัยอันนี้ความโมทูจริงต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันเป็นเครื่องความปรุงความคาดความหมายบ้านนั้นคนนั่นชื่อว่าง มีเป็นสัญญาความหมายเราจะแสดงคำกับคนนี้ว่างไงเดี๋ยวเป็นเลือกสมมุติเรื่องของขันนีงมันธรรมช า, าของความจริงจริงหมดความหมายเกี่ยวกับสิทธิ์อะไร่ออกไม่มีเดี๋ยวแล้วนะเรือั้นนะเรื่องเกิดแล้วนะ